สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราขึ้นบทที่สของพระธรรมหนึง่งผงกษัตริย์ครับพระเจ้านะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าซโซโลมอนทรงเจริญพระราชมัยตรีกับฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์และอภิเศกกับพระธิดาองค์หนึ่งของฟาโร ทรงทรงพาพระนางมาประทับในเมืองดาวิดจนกระทั่งการก่อสร้างพระราชวังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าประชาชนยังคงถวายเครื่องบูชาที่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายเพราะพระวิหารเพื่อพระนามพระยาเวยังไม่ได้สร้างขึ้น โซโลมอนทรงรักองค์พระบิดาเจ้าและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาเว้นแต่ยังทรงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายพี่น้องครับในพระเจร้าของพระเจ้าตอนนี้ก็เริ่มเปิดฉากราชวงศ์ของโซโลมอนหรือรัชการของโซโลมอนรัชการของโซโลมอนนั้นเป็นรัชการที่ มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับถ้าถามว่าในรัชสมัยของซาอูลดาวิดโซโลมอนซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นพระราชาของยิวถ้าถามว่าทั้งสามรัชการนั้นใครที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดคำตอบก็คือในรัชสมัยของโซโลมอนพระองค์เจริญพระราชมัยตรีกับฟาโร ก็คือโซรลมอนแต่งงานกับพิดาฟาโรเพื่อสร้างไมตรีฟาโรนั้นคาดการว่าเป็นฟาโรของพระาชวงศ์อียิปต์องค์ชายๆครับลำดับที่21ชื่อซีอาโมนการ จเจริญพระรจ้าไมตรีหรือสันทมว่าไมตรีเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าอียิปต์นั้นยอมรับในความสำคัญและความเข้มแข็งแข็งแกร่ ง, ข, ง, ข, งของอิสราเอลที่เพิ่มขึ้นในพระธรรมหนึ่งพงกษัตรบที่9ก้ข้อก็ระบุว่าฟาโรนั้นได้ยกเมืองเมืองหนึ่งครับชื่อว่าเมืองเกเซอร์เมือ ง, องเกเซอร์อยู่ในแคว้นคณาอันซึ่งอยู่ในปกครองของอียิปต์ ให้กับลูกสาวเป็นสินสมรสในการแต่งงานกับซูลามอนสินสมรสนี้คือให้กันเป็นเมืองเมืองเลยนะครับในสมัยโบราณเกเซอร์นั้นตั้งอยู่ในเรียกว่าจุดที่สำคัญคือชัยภูมิที่ดีครับเป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางการค้าที่สำคัญที่จะเชื่อมอียิปต์และอิสราเอลครับเป็นเส้นทางการค้าที่ ในสมัยต่อมานั้นก็ใช้ลำเลียงวัสดุในการก่อสร้างทั้งหลายสินค้าทั้งหลายจากอียิปต์ที่จะไปทางเยรูซาเล็มขึ้นไปทางเหนือไปยังซีเรียต้องใช้เส้นทางนี้ครับไม่เพียงแต่เท่านั้นก็ยังเชื่อมเชื่อมเส้นทางจากเยรูซาเล็มนะครับไปยัง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองยับฟาครับเป็นเส้นทางสําคัญที่โซลมอนใช้ลำเลียงวัสดุในการก่อสร้างก่อสร้างพระวิหารในสมัยโบราณนะครับการที่ประเทศไหนก็ตามที่มีอำนาจก็จะต้องสร้างเครือข่ายสร้างเน็ตเวิร์และก็สร้างเส้นทา ง, งมคมนาคมทึถ่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องครับเมื่อ กษัตริย์โจโมอนแต่งงานกับธิดาฟาโรถามว่าอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนดีใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้าของพระเจ้าก็หักมุมกลับมาในเรื่องของการถวายบูชาพี่น้องครับการถวายบูชาของคนในสมัยโบราณ น, นั้นก็คือการธรรสการพระเจ้านั่นเองเมื่อเวลาเราพูดถึงการถวายบูชาเรารู้ว่า พระเจ้าได้ทรงวางระบบการถวายบูชาไว้กับโมเสสก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีครับเมื่อโมเสสนั้นเขียนธรรมบัญญัติซึ่งได้รับการดลใจจากพระเจ้าบนภูเขาซีนายก็ดีอยู่ในถิ่นธุรกรันดารก็ดีพี่น้องครับเราจะพบว่านั่นเป็นแบบแผนการทำพิการพระเจ้าที่ถูกต้องที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้แต่ขณะที่ โซโลมอนครอบครองอยู่ครับพิะมุทีข้อที่สองเนี่ยบอกว่าแต่ว่าคําว่าแต่ว่าคือการหักมุมหักมุมที่จะบอกว่าประชาชนก็ยังถวายเครื่องบูชาที่ปูชนียสถานสูงหรือเรียกว่าเป็นสถานบูชาบนที่สูงถ้าเราเข้าใจเรื่องสถานบูชาบนที่สูงหรือปูชนียสถานสูงเราก็จะเข้าใจว่า มันเป็นสิ่งที่เกิดจากการประนีประนอมบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คนขณาอันที่กราบไหว้ลูกเขารบหรือพวกพระบาอันทั้งหลายก็มักจะสร้างสถานที่นมัสการพระเจ้าของเขาอยู่บนยอดยอดเขาหรือเนินเขาพี่น้องครับในภูมิประเทศของอิสราเอลนั้นก็เป็นที่ราบ บ้างก็เป็นที่ราบสูงบ้างหมายความว่าครับหมายความว่าเป็นเนินเขาเป็นถุบเขาครับเวลาที่เขาจะสร้างโบสถ์ของพวกรูปเคารพเขาก็ต้องสร้างบนที่สูงนะครับเพื่อที่ให้เห็นเด่นเป็นสงา่าและตรงนั้นนะครับเขาก็วางแท่นบูชาที่เราเรียกว่าปูชนียสถานสูงนี่คือพระของคนคนะอันครับและในขณะที่พระเจ้าได้ทรงสั่งไว้ครับบอกว่า อย่าอย่าใช้สถานที่บูชาบนที่สูงเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าของอิสราเอลอันนี้ผู้ชัดเจนครับว่าอิสราเอลนั้นถูกห้ามไม่ให้ใช้แท่นบูชาและสถานบูชาบนที่สูงของพระต่างชาติมานำมัสการพระเจ้าอันนี้พบอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่33ก็52ข้อครับและในเฉลยธรรมัญญิบทที่7ข้อที่5บทที่12ข้อ3ก็พูดเช่นเดียวกัน และสิ่งที่ชัดเจนในที่นี้ก็คือว่าการไม่ให้ใช้แท่นบูชาและสถานบูชาหรือเรียกว่าปูชนียสถานสูงที่เคยเป็นที่ใช้บูชาพระต่างชาติมานมัสการพระเจ้าองค์เทียงแท้ความชัดเจนก็คือว่าแท่นบูชาจะสร้างขึ้นได้ก็เฉพาะในสถานที่ที่พระเจ้ากาหนดไว้นั้นพี่น้องครับ เราจะเห็นนะครับว่าอิสราเอลนั้นก็ยังน้ำมศการพระเจ้าบนปูชนียสถานสูงมีการใช้สถานบูชาบนที่สูงของพระถังชาติมาเพื่อน้ำมศการพระเจ้าเราจะเห็นว่าเงื่อนไขที่พระงังพีได้กล่าวไว้ในสมัยโมเสกก็คือการห้ามไม่ใช้แท่นบูชามาน้ำมศการพระเจ้าถูกละเลยครับพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่า การกระทําเช่นนี้ไม่ถูกต้องและนำไปสู่การละทิ้งความเชื่อหรือเรียกว่าการผสมผสานความเชื่อซึ่งถูกประนามอย่างยุ่นรุนแรงครับในพระคัมภีร์ฉบับต่อไปก็คือสองพงศษบทที่สิบเจข้อ17ก็ประนามแต่พี่น้องครับเนื่องจากพระวิหารยังไม่ได้สร้างขึ้นมาการนมัสการพระเจ้าการถวายบูชาก็ทำกันอยู่ในพับพารา หรือในเต็นท์ครับการนับเการพระเจ้าในสถานที่ต่างๆก็ถือเป็นเรื่องที่ทํากันมาก่อนที่จะมีการสร้างพระวิหารจากตรงนี้นะครับทําให้เราเห็นถึงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดก็คือความไม่สม่ําเสมอในการปฏิบัติตามกฎกฎเกณฑ์ของพระเจ้าหรือข้อกําหนดในบทบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับการที่นัสศการ สถานน้มรสการที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรจากตรงนี้นี่เองครับในช้าวันนี้พี่น้องครับเรามีบทเรียนเรามีบทเรียนอยู่2บทเรียนด้วยกันก็คือการที่โซโลมอนนั้นไปแต่งงานกับธิดาของฟาโร่เพื่อส่งเสริมมิตรภาพแต่เราจะเห็นนะครับว่าในที่สุดแล้วมเหสีต่างๆของชาติต่างๆที่โซโลมอน ได้แต่งงานด้วยเพื่อจเจริญสันธวมามัยตรีความสัมพันธ์เหล่านี้ครับเปิดทางให้ความคิดและพิธีกรรมของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็แทรกซึมเข้ามานี่คือจุดเริ่มต้นของความไหยนมะมาเหสีต่างชาติของโซโลมอนในที่สุดก็นําพระของพวกเธอเข้ามาในเยรูซาเล็มและล่อลวงโซโลมอนให้หันไปกราบไหว้รูปเคารพในที่สุดเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ นะครับความแตกต่างทางศาสนามักจะถูกลดความสำคัญลงพี่น้องครับเพื่อความสัมพันธ์ความแตกต่างทางศาสนาก็ถูกลดความสาคัญลงแต่ความแตกต่างที่ดูเหมือนเล็กน้อยครับสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้อย่างรุนแรงพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีมาตรฐานให้เราทําตามในทุกๆความสัมพันธ์รวมทั้งการแต่งงานด้วยครับ ถ้าเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไปจากเป้าหมายที่แท้จริงของเราอันนั้นเป็นบทเรียนแรกบทเรียนที่สองในเช้าวันนี้ก็คือเมื่อบทบัญญัติของพระเจ้ากำหนดว่าชาวอิสราเอลนั้นจะต้องถวายบูชาเฉพาะในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกำหนดวิธีการมโนวิธีการนัสกาลขึ้นเอง และเปิดโอกาสให้พิธีกรรมของคนต่างชาติแทรกซึมเข้ามาแต่อิสราเอลก็พลาดครับโซโลมอนก็พลาดโซโลมอนถวายบูชาบนภูเขารอบๆนั้นแม้ว่าโซโลมอนจะรักพระเจ้าก็ตามแต่การทำเช่นนี้เป็นความบาปครับและผู้รับใช้ปุโรหิตที่จงรับพักดีก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลไม่ได้พูดไม่ได้บอก และเพื่อเอาใจโซโลมอนโซโลมอนก็พลาดไปครับและในที่สุดประเทศชาติหลังจากนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าต้องการและนำความเสื่อมมาสู่ประเทศของตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้รับบทเรียนทั้งสองบทเรียนนี้อามน